วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองเสงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ทางราชการให้มีวันหยุดเพื่อที่จะได้ ให้พวกเรามารำลึกถึงพระคุณของแม่และของพ่อให้เรามาแสดงความกตัญญูกตเตไวทีกันเพราะพระคุณของแม่และพระคุณของพ่อหรือเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ ลองจากพระคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพระคุณของแม่และพ่อทำให้เรามีร่างกายอันนี้พวกเรามาเกิดกันได้พ่อมีพ่อมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิด เราสามารถทำอะไรต่างๆได้เป็นอะไรต่างๆได้เพราะมีร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามาถ้าไม่มีร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามาเราก็จะเป็นดวงวิญญาณอยู่ในภพใดภพหนึ่ง ที่ไม่เหมือนกับพพของมนุษย์พพของมนุษย์นี้ดีตรงที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราจะยึดเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำพาชีวิตของพวกเรา ที่ยังติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดย่อมเป็นเรื่องของความทุกข์นั่นเองไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขถึงแม้จะมีความสุขบ้างแต่ก็ไม่คุ้ม เท่ากับความทุกข์ไม่มากเท่ากับความทุกข์การไม่เกิดนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะผู้ไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์ตราบใดที่มีการเกิดตราบนั้นย่อมมีความทุกข์ตามมาถ้าจะมีการเกิด ก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเพราะเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะให้เราได้หลุดออกจากวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ น, นี้คือก็คุณอันใหญ่หลวงของ มารดาและบิดาและของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาให้กำเนิดให้ร่างกายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้แสงสวง่างที่จะพาจิตใจผ่านทางร่างกายนี้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพาน ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เพราะพระนิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงมารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดาและมารดาต้องมีทั้งสองคนถึงจะมีเราขึ้นมาได้มีมารดาคนเดียวนี้ ก็ทำให้เราเกิดไม่ได้มีบิดาคนเดียวก็ทำให้เราเกิดไม่ได้ดังนั้นทุกครั้งที่เรานำลึกถึงบิดาหรือมารดาเราต้องนำเลิกถึงทั้งสองท่านเช่นวันนี้เป็นวันแม่เราอาจจะมานำเลึกถึงพักคุณของคุณแม่ แต่เราก็ต้องไม่ลืมพระคุณของคุณพ่อด้วยเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อร่วมกับคุณแม่ก็จะไม่มีเราจะไม่มีการได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็น ส, สิ่งที่มีคุณค่า ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรก็ตามคุณค่าเหล่านั้นก็สู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่ได้สู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองมีเพียงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะพาให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษอย่างยิ่งในบรรดาชาติของกะของการเป็นมนุษย์ ที่เราได้เป็นกันมามากมายอย่างโชคชนแต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับชาตินี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากนะัเพราะจะไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติ โดยลำพังเพื่อให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรืออาจจะไม่รู้เสียได้ซ้าไปว่าตัเองกำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสาวก พวกเราอาจจะไม่รู้กันเลยว่าเรากำลังมาเกิดแก่เจ็บตายกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นจำนวนมากมายกายกองนับด้วยตัวเลขไม่ได้ถ้าจะนับก็ให้นับด้วยปริมาณน้ำตาที่เรามาหลังกันในแต่ละพบแต่ละชาติ ถ้าเรารวบรวมเอาน้ำตาที่เราได้หลั่งมาในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวมกันน้ำตาของเรานี้มันจะไม่มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นคือจำนวนการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาวุ่นวายมาเสียอกเสียใจ มาร้องห่มร้องไห้กับเหตุการณ์ต่างๆนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราได้มาประสบและยังจะต้องเป็นอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา และการพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะยับยั้งน้ำตาต่างๆที่เราได้หลังมาแล้วนี้ให้หยุดหลังได้หรือไม่เพราะการพบเฉยๆก็ยังไม่เป็นประโยชน์การพบแล้วไม่ได้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ ใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำพาจิตใจให้ออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพพุทธศาสนาแล้วจะทำให้ได้ออกจากวัฏจักร แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยอัตโนมัตินี้สัตว์โลกพวกเราอย่างพวกเรามนุษย์อย่างพวกเรานี้ก็คงจะได้ดุดพ้นกันไปเป็นจนํานวนมากแล้วหลุดพ้นกันไปหมดแล้วแต่ทําไมเราจึงยังไม่ได้ดุดพ้นกันก็เพราะว่าการได้พบกับพระพุทธศาสนา หรือแม้จะเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ยังไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหตุที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเกิดจากการที่เราศึกษาก็ทําคํคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อศึกษาแล้วเราก็ยังต้องเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาดังนั้นตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรามีศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธศาสนาแล้วเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะเป็นผู้สั่งผู้สอนเราได้ผู้ชี้บอกทางให้เราได้หลุดออกจากวัฏสงสารได้ mm hmm. เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชี้บอกเรา ท่านชีบอกเราให้เราสร้างธรรมะสร้างคุณธรรมที่จะเป็นตัวผลักดันให้จิตใจของพวกเราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด คุณธรรมที่พพุธองค์ทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันนี้เราก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานี้เองคือการปฏิบัติทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาคือทางของมรรคที่มีองค์แปดมรรคแปดมรรคแปดมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงข้อที่สองสัมมาสังกัโปความคิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงข้อที่สามสัมมากรรมันโตการกระทาทางกายที่ถูกต้องข้อที่สี่สัมมาวาจา การกระทาทางวาจาที่ถูกต้องข้อที่ห้าสัมมาอาชีวการมีอาชีพที่ถูกต้องข้อที่หกสัมมาวายาโมการมีความภาคเพียรที่ถูกต้องข้อที่เจ็ดสัมมาสติการมีการระลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่แปด สัมมาสมาธิการมีความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือคุณธรรมแปดประการด้วยกันที่จะเป็นพลังขับดันให้จิตใจของพวกเราที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่ ให้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเปรียบเหมือนกับน้ำมันที่เราที่ใช้ในการขับเคลื่อนจรวดที่จะขับยานอาวกาศให้หลุดออกจากการดึงดูดของโลกนี้ เ, เวลาที่นักวิทยาศาสตร์ส่งยานอาวกาศออกไปสำรวจ ตามดวงดาวต่างๆต้องมีจรวดที่มีพลังที่จะสามารถดันเอายานอวากาศให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกนี้ได้สิ่งที่จะทำให้จรวดนี้สามารถขับเคลื่อนและหลุดออกจากแรงดึงดูดของ โลกนี้ได้ก็คือน้ำมันน้ำมันที่ใช้ในการขับเคลื่อนจรวดจิตใจของพวกเราก็เปียบเหมือนยานอาวกาศเปียบเหมือนจรวดถ้าเราอยากจะหลุดออกจากแรงดึงดูดของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมีจรวดที่มีน้ำมันพร้อมน้ำมันที่จะสามารถ ขับดันขับเคลื่อนจิตใจของพวกเราให้หลุดออกจากแรงดึงดูดที่ดึงให้เราติดอยู่ในตายพบนี้ได้แรงดึงดูดของตายพบคืออะไรก็คือตัณหาทั้งสามนี้ได้แก่กามะตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหา นี่เป็นเหมือนแรงดึงดูดของโลกถ้าเราศึกษาทางวิทยาศาสตร์เราจะรู้ว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดทำให้สิ่งต่างๆนี้ติดอยู่บนโลกนี้ได้ไม่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นมีนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงดึงดูดคือที่ได้ใช้การวิเคราะห์ ว่าทำไมเวลาผลไม้หลุดออกจากขั่วทำไมถึงตกลงมาทำไมไม่ลอยขึ้นไปก็ได้ข้อสรุปง่ายๆว่ามันต้องมีอะไรดึงดูดให้ผลไม้นั้นลงมาที่พื้นไม่มีอะไรดูดให้ขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ได้ค้นพบว่าทุกสิ่งโลกนี้มีแรงดึงดูด ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนผิวโลกนี้ไม่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ายกเว้นในกรณีที่มีลมพัดเช่นพายุฝนลมพัดแรงๆใบมุงใบไม้ตามปกติจะล่วงลงสู่ดินแต่ถ้ามีลมที่มีพลังมากก็สามารถพัดให้ใบไม้นี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ แต่พอกําลังของลมได้หมดลงไปใบไม้ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าก็ต้องร่วงลงกลับมาสู่พื้นดินเพราะพลังของลมที่พัดนี้สู้พลังของแรงดึงดูดของโลกไม่ได้นั่นเองโลกสิ่งต่างๆจึงติดอยู่บนโลกนี้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าทำไมสัตว์โลกจึงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตพบอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็เพราะว่ามีสิ่งที่ดึงดูดจิตใจของสัตว์โลกของพวกเรานี่ให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าแรงดึงดูดที่ทำให้สัตว์โลกต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือกามตัณหาภาวะตัณห า, หาและวิภาวะตัณหานี่เองกามตัณหาก็คือความอยากในกามคุณทั้งห้ากามคุณทั้งห้าคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพะนี้เองรูปที่เราเห็นด้วยตา เสียงที่เราได้ยินด้วยหูเกลิ่นที่เราได้ดมด้วยจมูกรสที่เราได้สัมผัสด้วยลิ้นและพุทธะที่เราสัมผัสด้วยร่างกายของเราเช่นอากาศขณะ น, นี้ที่เรารู้ว่าเป็นอากาศเย็นหรืออากาศร้อนนี้เพราะเรามีร่างกายเป็นผู้รับสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสคืออากาศร้อนหรืออากาศเย็นนี้ ก็เรียกว่าผดทพะนี่เองนี่แหละคือสิ่งที่ใจของพวกเราทำไมจึงต้องมาเกิดกันมามีร่างกายกันเพราะเราอยากจะเสบรูปเสียงกลิก่นรสผดทพะกันนั่นเองเคยสังเกตไหมว่าวันวันหนึ่งเราทำอะไรกันเราก็เสบรูปเสียงกลิกก่นรสผดทพะในรูปแบบต่างๆ กันตลอดเวลาและเคยสังเกตไ้ยว่าเวลาที่เราขาดมานันนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เรามีรูปเสียงกยลิ่นรสผลิตภัณพะกับเวลาที่เราไม่มีนี่อาการของใจเราเป็นอย่างไรถ้าไม่เคยไปอยู่วัดไม่เคยไปปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เห็นความแตกต่าง เวลาที่มีรูปเสียงกิ่รลดพลดถะพะให้เสพกับเวลาไม่มีรูปเสียงกิ่รลดพลดถะพะให้เสพว่าเป็นอย่างไรเอเวลาไปอยู่วัดนี่จะถูกกําจัดรูปเสียงกิ่รลดพลดถะพะทําให้เราไม่สามารถเสพได้ตามแบบที่เราเคยเสพกันเวลาที่อยู่นอกวัด เ, เวลานั้นนี้ใจอยากจะกลับไปอยากจะดิ้นออกจากวัดไปกันเอ อยู่กันยังไงก็อยู่กันไม่ได้นานทำไมถึงอยู่ไม่ได้ก็เพราะความอยากเสพในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี้เองที่ทำให้อยู่วัดกันไม่ได้วัดนี้เป็นที่ปลอดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะพอไปอยู่แล้วมันเหมือนกับไม่มีลมหายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะสำหรับผู้ที่มีกามมตณหานี่เป็นเหมือนลมหายใจ จะต้องคอยมีลมหายใจให้สูขอยู่เรื่อยๆถึงจะอยู่อย่างมีความสุขได้พอไม่มีลมหายใจนี่จะทุนรนทุรายหลังเกตโ ด, ดยเวลาดำน้ำดำน้าลงไปโดยที่ไม่มีเครื่องหายใจนี่จะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องดิ้นขึ้นมาหานะืหาอากาศโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ฉันใดเนี่ยรูปเสียงกลธธิ่นรสผลทพานี้ก็เป็นเหมือนอากาศของจิตใจที่มีกามตัณหามีความอยากจะเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลธธิ่นรสผลทพะนี่แหละทำไมเราถึงต้องอยู่วัดกันได้ไม่นานก็เพราะกามตัณหานี่เองตัวที่ดึงให้เราต้องออกมาหารูปเสียงกลธธิ่นรสผลพะกัน นี่แหละคือตัวที่ดึงดูดจิตเราให้ติดอยู่กับการมีร่างกายพอเวลาไม่มีร่างกายดวงจิตของเราที่มีแรงดึงดูดของกา마ตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหานี้ก็จะดูดให้เรากลับไปมีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มามีพ่อมีแม่คนใหม่ แล้วมาล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่คนใหม่ทำกันอย่างนี้มานับไม่ถ้วนนะและจะไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไม่ได้มาเจอนักจิตศาสตร์คือพระพุทธเจ้าที่สงค้นพบว่าการที่เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่า จิตของเรามีแรงถูกแรงดึงดูดของโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ดึงดูดให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองอแล้วพระ อ, องค์ก็ยังพิจารณาว่าเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์พอรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ติดอยู่กับบนพื้นดินนี้เพราะมีแรงดึงดูดก็มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นวิธีที่จะทำให้ ไม่ต้องให้ลอยขึ้นไปบนอากาศได้ถ้าสามารถสร้างพลังเช่นพลังลมเหมือนกับเวลาลมพัดลมพัดแรงๆก็สามารถพัดให้ใบไม้ลอยขึ้นไปบนอากาศได้ถ้าเขาสามารถผลิตแรงที่มีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกเช่นใบพัดต่างๆที่ผลิตสามารถพัดให้เกิดลม ที่จะพัดให้สิ่งต่างๆลอยขึ้นได้เขาก็เลยพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องติดอยู่บนโลกนี้สามารถที่จะออกจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นได้เเดี๋ยวนี้มีการวางแผนจะไปตั้งจะไปตั้งที่อยู่อาศัยบนโลกพระจัน์บ้างบนดาวอังคารบ้าง ที่ไปกันได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเกิดจากการค้นพบว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดและค้นพบว่าถ้าสามารถสร้างแรงดึงดูดที่แรงกว่าแรงดึงดูดของโลกได้ก็สามารถที่จะยกสิ่งต่างๆที่ติดอยู่บนโลกนี้ให้หลุดออกจากโลกนี้ได้ ยังมีการสร้างเครื่องบินต่างๆขึ้นมาสร้างใบพัดต่างๆดนในที่สุดก็มาสร้างจรวดกันก็เป็นตัวที่สามารถที่จะยกของต่างๆที่ติดอยู่บนโลกนี้ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนนักวิทยาศาศสตร์ทรงค้นพบว่า อะไรเป็นสิ่งที่ด้งโดดจิตใจให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะภาวะตัณหาก็คือความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ที่ปรารถนาที่ชอบ ก็คือราบยศสารเสรนนี่เอง <c oughs> และวิภาวะตัณหาก็คือความอยากที่จะไม่สูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปจน <c oughs> ได้อะไรที่รักที่ชอบแล้วก็อยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆ <c oughs> อยากให้ราบยศสารเสร น, นี้อยู่ไปเรื่อยๆ <c oughs> อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ ความอยากนี้มันเป็นความอยากที่ไปขัดกับความเป็นจริงของโลกเพราะโลกนี้ไม่ได้เป็นโลกที่ถาวรโลกที่มีแต่การเจริญและโลกที่มีทั้งการเจริญและมีการเสื่อมเป็นโลกที่มีการเกิดและมีการดับพอะจิตที่ไม่ต้องการความเสื่อมไม่ต้องการ การดับของสิ่งต่างๆที่จิตได้ไปหามามาครอบคลองเป็นสมบัติพอต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่ที่มาของน้ําตาที่เราหลั่งกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเกิดจากความอยากของพวกเราที่พอได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกริ้งกายมาแล้ว ก็อยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่ต้องการไม่ต้องการให้จากเราไปแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้พอถึงเวลาเขาก็ต้องจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>เริ่มต้นที่ร่างกายของเราสิ่งแรกเราได้คือร่างกายของเราและสิ่งสุดท้ายที่เราจะเสียก็คือร่างกายของเรา พอเราได้ร่างกายเราก็มาหารูปเสียงกลิ่นรสกันมาหาราบยศจารเสริญกันแล้วเราก็ดินน้นรนต่อสู้รักษาสิ่งที่เราหามาได้พร้อมๆกับการหาสิ่งใหม่ๆ ม, มาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราก็เลยมีแต่การดินน้นรนมีการต่อสู้เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะเนหน็ดเหนื่อย ความเหน็ดเหนื่อยนี้ก็เรียกว่าความทุกข์นั่นเองอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆแล้วจะกลัวจะลำบากกลัวจะทุกข์เพราะอยู่เฉยๆเดี๋ยวไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพะให้เสกจะไม่มีลาบยศสรรเสริญมาให้ความสุขก็เลยต้องดิ้นรนคอยหามาอยู่เรื่อยๆ พอหามาแล้วมันก็หมดไปตามลำดับของมันชีวิตก็เลยเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการหาสิ่งต่างๆเหน็ดเหนื่อยกับการคอยดูแลรักษาสิ่งต่างๆและมาวุ่นวายมาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปในที่สุด คืเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่หามาได้ทั้งหมดหายไปหมดความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปมี่คือสาเหตุที่ทําให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีความคิดว่าจะต้องหาวิธีให้ ดุดจากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายให้ได้จึงทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี้ที่อยู่ท่ามกลางความสุขของราบยศสรลเสญของรูปเสียงกลิ่นรสผทธภาจำเป็นจะต้องสะละราชสมบัติสละสิ่งเหล่านี้พ็ทรงเห็นด้วยปัญญาว่าในอนาคตพระ อ, องค์ก็จะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป เมื่อสังขารร่างกายเริ่มแก่ลงเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มเข้าสู่ความตายก็จะไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์พระองจึงตัดสินพระทัยว่าจะต้องไปหาวิธีที่จะทําให้จิตใจ ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะประสบในอนาคตเนี่ยจึงได้ทรงออกบวชไปศึกษากับผู้ที่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่มาติดมามีร่างกายเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งที่ยังไม่มีใครค้นพบว่าเป็นอะไร บีพระพุทธเจ้าเองต้องเป็นผู้สงค้นพบว่าเหตุที่ดึงดูดให้จิตใจมามีร่างกายกันนี้ก็คือตัณหาทั้งสามนี้คือกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเป็นตัวที่บีบคั้นจิตใจทุกครั้งที่เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาจิตใจนี้จะเหมือนถูกบีบ ทำให้ปวดร้าวในจิตใจทำให้มีความทุกข์ทรมานใจพระ อ, องค์จึงทรงค้นหาวิธีที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆกับความไม่เที่ยงแท้แน่านอนของสิ่งต่างๆของการดับของสิ่งต่างๆก็ทรงค้นพบวิธีทำใจให้สงบนี้เอง เมื่อทำใจให้สงบได้ใจก็จะระ ง, งับความอยากได้ความอยากที่คอยบีบคั้นจิตใจให้ทุกข์ให้ทรมานใจก็จะถูกยุติลงชั่วคราวการฝึกในเบื้องต้นนี้ทงค้นพบวิธีที่จะยุติความอยากได้ชั่วคราวคือการฝึกสติสมาธิ ที่เป็นองค์ประกอบของมรรคแปดนี่เองคือสัมมาสติสัมมาสมาธินและทรงพบว่าการที่จะมาฝึกสัมมาสติสัมมาสมาธิได้ก็ต้องมีสัมมาอาชิวสัมมากรรมโตสัมมาวาจา เพราถ้าไม่มีการกะระทาที่ถูกต้องไม่มีการพูดวาจาที่ถูกต้องไม่มีการกะระทาความเพียรที่ถูกต้องไม่มีอาชีพที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถมาดำรงมาเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิได้นั่นเองเพืที่จะมาเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิได้นี้จาเป็นจะต้องมีศีลนั่นเอง ศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชสมากัมมันโตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดสมาอาชีวก็อาชีพที่มีมีวเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นเอง ไม่ได้ทำอาชีพเพื่อให้ร่ำให้รวยเพื่อให้มีสมบัติมากมายเพื่อที่จะได้ซื้อสิ่งต่างๆมาเสกซื้อรูปเสียงกิ่นรถพลพภะมาเสกแต้มาอาชีพก็คืออาชีพที่สุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ไปสร้างไพ่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็เป็นอาชีพที่มีไว้เพื่อเลี้ยงชีพจริงๆทนั้นเอง เลี้ยงปากเลี้ยงท้องวิธีที่เลี้ยงทีพที่ถูกต้องที่สุดก็คือการบินตบานี่เองอันนี้เป็นการเลี้ยงทีพของมรรคแปดอย่างแท้จริงขึ้นสัมมาอาชีวะพะภิกษุมาบวชพระพุทธเจ้าก็สอนให้รักษาศีลศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเพื่อให้เกิดสัมมากรรมันโตขึ้นมาสัมมาวาจาขึ้นมา พราะเมื่อมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจา ก, ก็จะไม่มีเรื่องมีราวกับใครจะไม่ต้องไป เ, เสียเวลากับการไปแก้กปัญหาต่างๆที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องเช่นถ้าไปลักทรัพย์เดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจทําบาปแล้วมันก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมา ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิได้เนื่อนผู้ที่ต้องการที่จะมาหยุดความอยากในระดับของสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ต้องมีการสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาคือมีศีลมีศีลแปดขึ้นไปสัสมาเพราะว่าสัมมาเพราะว่านอกจากการ มีศีลแปะนี้ถ้ามีศีลห้านี้มันยังทาให้จิตใจนี้ไปทะเละทลายทากิจกรรมอย่างอื่นได้จะไม่มาทำสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิจะไม่มีสัมมาวายามโอคือความเพียรที่ถูกต้องเพราะจะไปเพียรอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าถือเพียงศีลห้า ก็ยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังไปเสพกา ร, ร ม, มาตัญหาได้การร่วมหลับนอนกับคู่ครองก็เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเสพกามนี่เองแล้วก็การไปรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็เป็นการเสพกามผ่านทางรสชาติก็รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันเสพกาม แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปงานบันเทิงต่างๆไปดูมห ah ัศรศพต่างๆต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายให้สวยให้งามก็จะเอาเวลามาทำกิจกรรมเหล่านี้หมดถ้าสัมมาเกตมันโตสัมมาวาจาเป็นเพียงศีลห้า <ๆ S 1> ก็จะไม่พอเพียงที่จะทำให้เกิดสัมมาวายามโมคือความเพียรที่ถูกต้อง ความเพียรที่ถูกต้องก็คือความเพียรที่จะเจริญสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินั่นเองเห็นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างมรรคแปดต้องมีเริ่มต้นที่สัมมากรรมโตสัมมาวาจา ส, สัมมาอาชีวก็ต้องถือศีลแปดอาชีพเพียงแต่หาหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีพก็พอไม่หามากเกินไป พอท่ามากก็จะไม่มีเวลามาเจริญสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเช่นคนที่ทำงานบินไปบินมาอันนี้หาเงินมากกว่าเงินทองที่จะมาใช้กับการการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อคอนโดซื้อรถซื้ออะไรต่างๆ อันนี้ไม่ถือว่าเป็นสมัมมาชีวะในระดับของมรรคแปดแต่สำหรับของคารวะผู้ผู้ครองเรือนผู้ถือศีลห้านี่ยังถือว่าเป็นสมัมมาชีวะอยู่คือเป็นอาชีพที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายสมาัมมาชีวะก็มีหลายระดับด้วยกันวันนี้พูดถึงระดับสูงสุดระดับที่จะเป็นระดับของมรรคแปจริงๆ ต้องมีใช่เพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นวิทยตัวอย่างที่ถูกต้องที่สุดก็การบินทบาตทญาติโยมบางคนที่มาอาศัยอยู่กับพระก็ทําแบบเดียวกันไปช่วยพระเดินบินทบาทพระได้อาหารมาพระก็แบ่งอาหารที่ได้จากการบินทบาทให้ญาติโยมที่มาถือเศียรแปะมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด ก็กินมื้อเดียวเหมือนกับพระเหมือนปฏิบัติเหมือนกับพระกินแล้วก็จบแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนอันนี้ทำแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วได้อาหารมาพอเพียงแล้วก็มารับประทานมื้อเดียวฉันเสร็จแล้วเทนี้ก็หมดแล้วกิจกรรมสำหรับทางร่างกายต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรมของจิตใจ ของมรรคแปดของการเจริญสัมมาสติจเจริญสัมมาสมาธิเพื่อให้เข้าสู่การไปเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรต่อไปนี่นะนี่คือการเจริญมรรคที่พระเจ้าได้ทรงนำเอ า, ม, ม, ามาเผยแผ่สั่งสอนแต่ก็แบ่งไว้เป็นสองระดับ ระดับของนักบุญและระดับของนักบวชระดับของนักบุญก็สัมส ม, มาคัมมันโตสัมมาวาจาก็อยู่แค่ศีลหา้าสัมมาชีโยก็ทำอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นแต่จะหามามากน้อยเทียงไรก็ไม่ห้ามอยากได้ร้อยล้านพันล้านก็หาได้ ก็ยังถือว่าเป็นสัมมาอาชีวอยู่ได้เงินร้อยล้านพันล้านจะไปซื้ออะไรก็ไม่ก็ไม่เสียหายตรงไหนเสียหายตรงที่ว่ามันจททำให้ไม่มีเวลาที่จะมาะสร้างสัมมาสติสร้างสัมมาสมาธิที่จะเป็นตัวที่จะหยุดตันหาความอยากตัวที่จะกาจัดความอยากต่าง ที่เป็นตัวดึงดูดให้ใจต้องติดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้สำหรับนักบุญก็เป็นผู้ที่ยังถือว่ามีอินทรีย์น้อยอินทรีย์ห้าคือสัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญายังมีน้อยเปรียบเทียบก็เหมือนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับระดับ ปฐมระดับมัธยมไม่เหมือนกับเด็กที่เข้าสู่ระดับปริญญาอุดมศึกษามีความสามารถเรียนรู้ไม่เท่ากันมีความสามารถที่จะปฏิบัติไม่เท่ากันแล้วก็เป็นการที่เป็นการเป็นขั้นตอนของการดําเนินมักคือก็ต้องเริ่มจากระดับต่ําขึ้นไปสู่ระดับสูงก่อน พรทุกคนเกิดมาก็เกิดมาเป็นคารวะกันเป็นคู่ครองเรือนกันก็จะถนัดกับการเป็นนักบุญก่อนเมื่อได้เป็นนักบุญแล้วต่อไปก็จะมีกําลังที่จะพัฒนาจากระดับของการเป็นนักบุญนี้ขึ้นไปสู่การเป็นนักปุ๋ยเช่นนักบุญบางท่านก็ในวันหยุดเช่นสามวันนี้ ก็แทนที่จะไปหาความสุขทางตาโหูจ ม, มูกนิ้วกายแทนที่จะไปเพิ่มพลังแรงดึงดูดให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็มาฝึกวิธีลดพลังแรงดึงดูดที่จะดูดให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดโดยการไปอยู่วัดกันไปอยู่แบบนักบวชกันไปหัดเป็นนักบวชกันเป็นนักบวชชั่วคราวก่อนสามวันนะ หยุดสามวันนี้ก็ไปเป็นนักบวชชั่วคราวเคยถือศีลห้าก็เปลี่ยนเป็นการถือศีลแปดแล้วก็เคยดูหนังฟังเพลงเคยเที่ยวนั่นเคยกินเคยดื่มตามความอยากทีนี้ก็ต้องกําจัดถ้าจะกินจะดื่มก็ต้องกินดื่มแบบสัมมาอาชีโอกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นไม่กินไม่ดื่มเพื่อ ตอบท่านหลงตันหาความอยากแล้วก็จะได้มีเวลาที่จะมาเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิมาเจริญสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรชอบก็มาเพียรเจริญสติกันมาเพียรเจริญสมาธิมาเจริมาเพียรเจริญปัญญากันเพราะนี่คือองค์ประกอบของมรรคที่สาคัญในการที่จะกาจัด แรงดึงดูดที่ดูให้จิตใจต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างโชคโชนน่าจะติดอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่สามารถสร้างสัมมาสติสร้างสัมมา ส, ส, าส ม, มาธิสร้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปขึ้นมาได้ในเบื้องต้นก็ต้องสร้างสัมมาสติก่อน สมาสติจะเป็นเหตุที่จะทําทให้เกิดสัมาสมาธิสมาสติคืออะไรคือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเช่นกรรมฐาน40สชนิดนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญสติกันให้เรามีสติอยู่กับ กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้จักกันก็คือพุทธานุสติให้เราลเลือกอยู่ถึงพระพุทธคุณเราก็ย่อลงมาเหลือพระนามของพระพุทธเจ้าคือพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราอยากจะเจริญบทยาวก็ได้เช่นบทสวดพระพุทธคุณอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณนาะสัมปันโน ในขั้นเริ่มต้นถ้าจิตเราฟุ้งมากจิตเราไม่ยอมอยู่กับพุทธโธเราก็อาจจะใช้การสวดบทพุทธคุณไปก่อนเราสวดบทพุทธคุณยังฟุ้งก็สวดบทธรรมคุณต่อบทสังคคุณต่ออันนี้ก็เป็นกรรมฐานพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติธรรมนานุสติสังฆานุสติ เป็นอารมณ์ที่ตั้งของสติเป็นอารมณ์ที่จะทําให้เกิดสติขึ้นมาสติก็คือพลังของจิตที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราไม่มีสติมันก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกเมื่อรถไม่มีเบรกรถก็จะวิ่งอย่างไม่ปลอดภัยเมื่อถึงสี่ากไฟแดงก็หยุดไม่ได้ก็จะต้องเสี่ยงต่อการไปชนกับรถคันอื่น เวลาที่ไม่มีสติจิตก็จะสู้กิเลสไม่ได้สู้ตันหาความอยากไม่ได้ตันหาก็จะฉุดลากให้จิตไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสไปหาความทุกข์ต่างๆแต่ถ้ามีสติก็สามารถที่จะหยุดความอยากได้จิตก็จะปลอดภัยจากความทุกข์เหมือนกับรถที่มีเบรกก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการที่จะไปชนกัน หรือในการที่จะตกออกจากนอกถนนไปรถต้องมีเบรกเวลาขับไปแล้วถ้าถึงทางโคง้งจะแห่โคง้งก็เบรกเสียรถก็ปลอดภัยใจก็เหมือนกันใจจะสงบใจจะปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากตัรหาความอยากก็ต้องมีเบรกคอยคอยหยุดความอยากนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกสติกันสร้างกําลังหยุด ของใจอันนี้จะเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดกําลังขึ้นมาทำได้มากเท่าไหร่เหมือนก็จะได้กําลังมากขึ้นได้เร็วขึ้นทำน้อยก็จะได้น้อยแล้ได้ช้าผู้บําเพ็ญจึงมักจะบาเพ็ญกันอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนคือบําเพ็ญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่น จนถึงเวลาหลับนะเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเรายัางต้องทำกิจกรรมบางอย่างอยู่เราก็ยังสามารถเจริญสติได้ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเนะช่นกิจกรรมดูแลร่างกายดูแลสถานที่ที่เราอยู่ให้สะอาดให้เรียบร้อยนะอันนี้ไม่จาเป็นต้องใช้ความคิดนะเราสามารถที่จะ ใช้การกระทาของร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของสติได้ทำอะไรก็ให้มีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้รู้อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นการฝึกสติ เพราะเราจะสามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติส่วนถ้าเราใช้เจริญสติแบบที่เราใช้กันอยู่เวลาเราไปทำงานที่ต้องใช้ความคิดอันนี้ก็เป็นสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่มีความคิดปรุงแต่งเพราะงานการที่เราทำนี้เราต้องใช้ความคิดเช่นเราทำบัญชีเราก็ต้องบวกเล่ยคูณลบบวกลบคูณหาร วางแผนจัดการว่าจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆอย่างไรก็ต้องใช้ความคิดปรงแต่งถึงแม้จะมีสติอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้หยุดความคิดปรงแต่งสติแบบนี้เราจึงเรียกว่ามิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติเพราะมันไม่สามารถนําไปสู่สัมมาสมาธิได้คือการทําจิตให้สงบให้นิ่งได้นั่นเองือ กันเราขอให้เราเข้าใจว่าสติมีหลายอย่างสติที่เราใช้ในชีวิตในชีวิตการทำงานของเรานี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นสติที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติต้องเป็นสติที่ไม่ต้องคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยเฉยให้สักแต่ว่ารู้เช่นงานของนักบวชนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเบญบาศก็ไม่ต้องคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยเฉย ให้รู้ว่ากำลังเดินให้รู้ว่ากำลังเปิดฝาบาทกำลังปิดฝาบาทก็รู้เท่านี้เองก็สามารถเจริญสมาสติได้ตลอดทางหรือเวลารับประทานก็ให้รู้เฉยๆว่ากำลังรับประทานกำลังตักอาหารเข้าปากกำลังเคี้ยวกำลังกลืนอันนี้เป็นวิธีของสมมาสติอันนี้ต้องเข้าใจเวลาเจริญสติว่า สติอันไหนที่จะนำไปสู่สัมมาสมาธิอันสติอันไหนที่จะไม่นำไปสู่สัมมาสมาธิคือถ้าไม่มีถ้าไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้เวลานั่งสมาธิจิตก็ไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นสมาธิได้เพราะไม่มีสติที่จะคอยควบคุมความคิดนั้นเองอันนี้ถ้ามีสติที่สามารถหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิ เดยจิตก็นิ่งสงบเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรเป็นสมาธิที่นิ่งสงบสับแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาวิจฉาสมาธิเป็นอย่างไรเป็นสมาธิที่ไม่ไม่นิ่งไม่เป็นอุเบกขาเป็นสมาธิไปรับรู้เรื่องราวต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นภายในใจและที่อยู่นอกใจคือกายทิพย์ต่างๆสิ่งต่างๆ ที่อยู่ข้างนอกนี่ถ้าจิตที่เข้าสมาธิแล้วถ้าเป็นสมาธิแบบไม่ใช่อปปนาสมาธิเป็นอุปจาราสมาธินี้จะเป็นสมาธิที่จะไปสามารถติดต่อกับดวงจิตดวงวิญญาณของผู้อื่นได้หรือสามารถไปรู้ความคิดปรุงแต่งของดวงจิตของผู้อื่นได้ ยางเราถ้าเราอ่านประวัติของหลวงปู่ม่านนี้ท่านก็มีทั้งอุปจารสมาธิและมีทั้งอัปปนาสมาธิเวลาท่านไปเข้าไปอุปจารสมาธิท่านก็ติดต่อกับเทวดาได้มีเวทเทวดามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าพาระอหลานทั้งหลายเวลาแสดงธรรมให้แก่กายทิพย์ทั้งหลายนี่ก็ต้องเข้าไปในอุปจารสมาธิ เพราะถ้าอยู่ในอปปนาสมาธินี้ไม่รับรู้ไม่ติดต่อกับใครถ้าเป็นมือถือก็ปิดเครื่องไม่เปิดรับถ้าอยากจะรับก็ต้องเปิดเครื่องอันนี้จิตก็เหมือนกับมือถือมีสองโหมดโหมดปิดเครื่องไม่รับสายไม่โทรเข้าไม่โทรออกกับโหมดที่รับสายโทรเข้าโทรออกได้อันนี้ก็เหมือนกัน แต่ทำไมท่านทรงเน้นเรื่องสัมมาสมาธิคือให้ปิดการรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะไปใช้ในการกําจัดความอยากเพราะจิตจะไม่มีกําลังคือไม่มีอุเบกขาไม่มีความนิ่งที่จะเอาไปสู้กับตันหาความอยากต่างๆได้เออจึงให้เน้นที่อัปปนาสมาธิสัมมาสมาธิให้นิ่งให้สงบให้สักแต่ว่ารู้ ขณะที่อยู่ในระดับสมาธินี้ยังไม่ใช่ระดับของการเจริญปัญญาอย่าพึ่งไปพิดิตพิจารณาอะไรทั้งสิน้นขณะจิตสงบอยู่ในอัปปนาสมาธิให้ใช้สติประครับประคองให้นิ่งไปนานๆนิ่งไปจนกว่าสติหมดกำลังสู้กำลังของความอยากที่จะคิดปรุงแต่งไม่ได้ก็จะต้องปล่อยให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา พอเกิดความคิดปุงแต่งแล้วก็ถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็เจริญได้ในตอนนั้นแทนที่จะปล่อยให้ไปคิดตามความอยากตามรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะตามลาบยศสรรเสริญก็ดึงให้มาคิดตามไตรลักษณ์ตามให้มาคิดตามอสุภะตามให้มาคิดทางอนัตตาอันนี้ต้องบังคับจิตให้คิดถึงใจคิดมาทางนี้ บกติจิตที่อยู่ภายใต้อำนาจของตันหาความอยากจะไม่ชอบคิดทางไตรลักษณ์จะไม่ชอบคิดทางอสุภะจะไม่ชอบคิดทางทางธาตุจีจะไม่ชอบคิดทางอาการสารสิบสองอันนี้ต้องบังคับให้คิดคิดเพราะอะไรจะได้เห็นความจริ ง, งนั่นเงเห็นความจริงของสิ่งที่จิตไปหลงไปรักไปชอบไปยึดไปติด ไปคิดว่าเป็นสุขไปคิดว่าน่าดูน่าชมให้มองความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ได้เป็นสุขอย่างที่จิตคิดมันเป็นทุกข์เนืทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันสุขเดียวเดียวพอมันเปลี่ยนไปพอมันสูญไปมันหมดไปทุกข์ที่ได้ก็กลายเป็นสุขที่ได้ก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมานึ่ให้พิจารณาไตรลักษ กับสิ่งต่างๆที่จิตไปหลงรักไปหลงชอบหลงอยากได้คือการมก็คือกรมมรรคห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะลาบยศจันรสเหรนร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็ต้องมองให้เห็นว่าร่างกายของคนนั้นคนนี้ถึงแม้จะมีส่วนที่สวยก็มีส่วนที่ไม่สวยถูกคุ้มห่ออยู่ภายใต้ส่วนที่สวยงามนั้นก็คืออาการภายในร่างกาย ภายใต้ผิวหนังหรืออาการของร่างกายที่เวลาหมดลมหายใจก็จะแปลสภาพจากความสวยงามไปสู่ความไม่สวยงามต่อไปอันนี้เป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเพราะถ้าเห็นด้วยความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นทุกข์ไม่เที่ยงควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ ไม่สวยไม่งามความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดไม่รู้ไปอยากได้ความทุกข์ไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันที่ไปเอามากันก็เพราะไปคิดว่ามันเป็นสุขกันไปคิดว่ามันน่าดูน่าชมกันพอพิจารณาด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นว่ามันไม่น่าดูน่าชมมันไม่เที่ยงมันเราไม่สามารถทำให้มันเที่ยงได้ พอเห็นอย่างนี้ความอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็หายไปอยากได้ลาบยศจระเสริงก็หายไปอยากให้ร่างกายอยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไปเมื่อหายไปใจก็ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆถึงแม้จะสัมผัสรับรูบ้เหมือนเดิมแต่ไม่ทุกข์เหมือนเดิมใจเปลี่ยนจากกระดาษซับกลายเป็นใบบัวไป นี่คือการสร้างมรรคขึ้นมาเพื่อมาเปลี่ยนกระดาษซับกระดาษซึมที่ดูดเอาน้าเข้าไปในกระดาษให้มาเป็นใบบัวใบบัวที่ไม่ดูดซับไม่ดูดซึมถึงแม้ยังสัมผัสกันอยู่ก็ต่างฝ่ายต่างอยู่กันพระพุทธเจ้าพ้าอาหารใจของท่านเปลี่ยนจากเป็นกระดาษซับกระดาษซึมมาเป็นใบบัวแต่ท่านก็ยังสัมผัสกับโลกธรรมอยู่ ยังสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะอยู่ยังสัมผัสกับลาบยศ ส, สรรเสิญอยู่แต่จิตใจของท่านไม่ได้ดูดซึมไม่มีตันหาตัวที่จะไปดูดให้เข้ามาในจิตในใจจึงไม่เดือดร้อนต่อการเสื่อมการหมดของสิ่งเหล่านี้นี่คือการทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ก็หลุดพ้นด้วยมรค8ปดนี้เองเริ่มตอนที่สัมมารกรรมโตสัมมาวาจาสีนห้าก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสินแปดสัมมาชีวก็ลดการหาเงินให้น้อยลงไปเรื่อยๆหาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพยุติการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเพราะจะทำให้ไม่มีเวลามาตัดความอยากต่างๆไม่มี เวลาที่จะตัดภพตัดชาติได้จึงต้องลดการหาเงินหาทองให้เหลืออยู่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นคือเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสัมมาวายาโมคือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปเมื่อมีเวลาได้มาเจริญทำเหล่านี้ตันหาความอยากที่เป็นแรงดึงดูด ให้จิตมาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็จะถูกทําลายไปหมดหรือกำลังที่จะดึงดูดให้จิตออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมันจะมีมากกว่ากำลังที่จะโดดให้จิตมาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับมีจะมีจรวดที่มีกำลังมากกว่าที่จะส่งให้ายานอาวกาศได้พุ่งทยานออกจากแรงดึงดูดของโลกนี้ไปจิตก็เป็นอย่างนั้น มักแปด ก, ก็คือตัวที่จะเป็นพลังผลักดันให้จิตได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือธรรมที่พวกเรามาเจริญกันในวันแม่นี้แล้วก็เมื่อเราได้สำเร็จแล้วเราก็จะได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามาดาของพระ อ, องค์ทาให บิดามารดาได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจึงขอให้พวกเรามาปฏิบัติบูบชาพระคุณของบิดาและมารดากันแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญนุ่งเรือมก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทธนาให้พร ยะถาวะเบวาหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิจิตังปฏทิตางตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ระโสยทาสภิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมวัานติอายุวันโอสุขัง าลาดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ต้องการถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาแต่ขอความกรุณาอย่าถามหลังจากที่เราเลิกกันแล้ว พะจะไม่สามารถตอบให้ได้ถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้ถ้าอยากจะถามมาเดินมาใกล้ๆที่ไมโครโฟนหน่อยได้ไั้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมานั่งตรงนี้เดี๋ยวจะส่งไมค์เข้ามาใกล้ๆไนดะ้ อ, อาอตรงนี้แล้วนั่งตรงนั้นอันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสองรอยสิบเจ็ดคนยู u t บหนึ่งร้อยห้าสิบห้าคนวิทยุออนไลน์สาสิบเจ็ดคน ผู้ลฟังบนเขาสองร้อยคนรวมทั้งหมดหกร้อยสิบเก้าคนครับผมมีคำถามเลยอเดี๋ยวเอาไมโครโฟนช่วยยื่นส่งไมโครโฟนมาให้หน่อยพูดใกล้ๆปากหน่อยปัดไปครับมีคำถามกับใกล้ๆหน่อยคุยใกล้ๆพระอาจารย์สองคำถามนะคะคำถามแรกเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะในพร นั่งสมาธิาค่ะพอนั่งสมาธิจนจิตสงบนะคะแต่ว่าหนูว่าก็ไม่สงบมากพอสงบได้ซักระดับหนึ่งแล้วนะคะก็เวลามีความคิดมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถรู้แล้วก็ดับลงไปได้หรือว่าก็ยังได้ยินเสียงอะไรต่างๆอยู่แต่ว่าจิตไม่กระวนกระวาย อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือเปล่าคะถูกแล้วถ้าอยากคิดส่วนเสียงอะไรเข้ามาก็รับรู้เฉยๆอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้อย่าไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาให้เรารู้เฉยๆให้นิ่งไม่คิดปรุงแต่งค่ะถ้ามันไม่ยอมหยุดก็ใช้พุทธโธพุทธโธบริกรรมไปหรือเฝ้าดูลมหายใจไปจดจ่ออยู่กับการดูลมอย่าไปสนใจกับเรื่องต่างๆ ค่ะแล้วถ้าหนูจะพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นต่อไปทำมากมากเนี่ย <c oughs> ทำให้มากมา <c oughs> ทำชั่วโมงเนี่ยก็ต้องเพิ่มเป็นสิบชั่วโมง <c oughs> อ๋อค่ะอตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ได้เกือบชั่วโมงแล้วก็ความสติ ม, มันหมดทำไหมทำทั้งวันทั้งคืนไงค่ะแล้วในช่วงระหว่างวันถ้าเกิดว่าหนูสวดมนต์ไปเรื่อยนี่ได้ไหมคะได้สวดมนต์ไปก็ได้พูดโธไปก็ได้พิจารณาการสามสิบสองไปก็ได้ อาจารย์คะมีคําถามหนึ่งค่ะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยค่ะจิตเราเวียนว่ายตายเกิดหนูอยากถามว่ามันเป็นจิตดวงเดิมไหมคะจิตดวงเดิมวกัก็คนเดิมมันจะไม่จะไม่ดวงเดิม <c oughs> ร่างกายเนี่ยมันอันใหม่เหมือนเสื้อผ้าชุดใหม่คนใส่เสื้อผ้าก็ชุดเดิมคนคนเดิมเรนะ <c oughs> าแหละแต่เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆนี่ชุดขาวเดี๋ยว่ากลับไปเป็นชุดสีแล้วเดียว คนเดิมหรอนั่นแหละร่างกายนี้เดี๋ยวมันเน่าเปื่อยไปมันตายไปก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ไปคลานออกมาจากท้องแม่ใหม่ค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์มีใครอยากจะถามไหมทางรัฐทางรัฐอยู่ที่ไหน คุณทางรัฐเนี่ยได้ชื่อใหม่แล้วถามม า, ามีคำถามจากอินบ็อ์นะคะจากคุณบีมกราบขออนุญาตเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าการสักยันต์ลงคาถาอาคมโดยพระสงฆ์ มีอยู่ในคำสอนของศาสนาพุทธไหมครับกราบขอบพระคุณมากครับไม่มีนะท่าที่เรียนมาไม่มีมีแต่มรรคแปดศีนสมาธิปัญญาคำถามต่อไปจากคุณอัตติอัตโนนาโถกราบเรียนถามพระอาจารย์บางพวกที่ตายลงแล้ววิญญาณไม่ทราบว่าจะไปไหน กลายเป็นพวกวิญญาณเร่รอ่อนนี้เกิดจากสิ่งใดเจ้าคะเพราะได้ยินมาว่าตายแล้วต้องไปตามแรงบุญแรงบาปแต่ทำไมพวกนี้ไม่มีทางไปละเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะก็พวกเร่ร่อนเนี่ละไปเพราะแรงบาปไม่ได้ทำบุญยิงต้องเร่ร่อนเป็นขอทานนะะพวกเปรตเนี่ยพวกนี้เวลามีชีวิตอยู่ไม่ชอบทาบุญชอบจะ อยากได้แต่ไม่อยากเสียออยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเลยไม่ยอมทําบุญเวลาหาเงินบางทีก็หาด้วยการทําบาปเนี่ยพอตายไปก็เลยบาปมีมากกว่าบุญบาปก็เลยพาเป็นดวงวิญญาณเล่ร่อนไปขอเป็นขอทานไปนี่ก็เป็นพวกเปรตจากคุณโกพงนะคะ กราบนมัสการเจ้าค่ะมีวัดหนึ่งคนมาถือศีลวันพระแต่เขารับประทานอาหารเที่ยงและอาหารเย็นก่อนสี่โมงเย็นแล้วเขาก็มานั่งให้พระรับศีลแปดตอนเย็นแล้วก็นอนที่วัดเช้ากลับบ้านแบบนี้ถือว่า <laughs> สินแปดใหม่เจ้าคะก็พวกสีถนนชายไงสินแปดแบบสีถนนชายทาไมไม่นั่งพายก็เลยนั่งทับพายไปเลยเอยือนพายอยู่สีนนสีถนนชายเดยืนพายเรืออยู่คนนั่งถานทำไมไม่นั่งพายสีถนนชายก็เลยเอาพายมานั่งทับ <laughs> ก็นั่งพาย เข้าใจไหมนี่ก็เหมือนกันถือศีลแปดแบบหลังจากกินข้าวเย็นกินกินเหล้าแล้วก็ค่อยมาค่อยมารับศีลกันก็ น, กนอนทํารับศีลก่อนนอนอย่างนี้รับไม่รับมันก็เวลานอนไม่ถือว่าเป็นเวลาที่เรามีศีลหรือไม่มีศีลศีลต้องมีเวลาที่เราตื่นมีเจตนาที่จะทําในสิ่งที่เราไม่ควรทำเรียกว่าทําบาปมีเจตนาที่จะทําในสิ่งที่เราควรทําคือ รักษาศีลอย่างถ้านรักษาศีลแบบนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคำถามต่อไปจากคุณประทวนขอโอกาสเรียนถามเจ้าค่ะการที่เราทำบุญให้ดวงจิตของลูกด้วยการทำทานรักษาศีลและภาวนาอุทิศให้ลูกทุกวันบุญนี้จะสามารถทำให้เขาได้ไปอยู่บนสวรรค์หมจ๊ะคะ ทางพ่อแม่ทําให้ทุกวันค่ะไม่หรอกเพราะเราเองยังทําไม่ได้บุญเลยการทํานี่ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วจะได้บุญการทํำไหว้พระสวดมนต์เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิที่ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายเหมือนกับการ ท, ทาําทานทําทานนี้ทําปุ๊บได้บุญทันทีส่วนการฝึกสตินั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นเหมือนการปลูกต้นไม้นะ ปลูวกวันนี้ดอกผลมันยังไม่ออกต้องใช้เวลาหลายปีบางคนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปจนทั้งชีวิตก็ยังไม่สงบยั้นอย่าไปคิดว่าการที่เราได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเราจะมีบุญยังไม่มียังไม่มีผลผลยังไม่เกิดถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้ลูกกลัวว่าเขาเป็นเปรตอยู่เขาต้องการบุญก็ไป บยจากของดีกว่าบริจาเข้าวของเงินทองทำกับพระก็ได้ทำกับใครก็ได้แล้วเราก็จะมีบุญที่จะส่งไปให้เขาได้ส่วนบุญที่เกิดจากการไหวพ้พระส่วนมุนนั่งสมาธินี้ยังไม่เกิดกําลังปลูกบุญนี้อยู่บุญนี้จเจริญเติบโตชา้าเหมือนต้นไม้เหมือนทุเรียนี้ปลูกกันไม่ใช่ปลูกปั๊บได้ได้ปับ๊บ ไม่เหมือนกับข้าวเนี่ปลูกสามเดือนก็ออกแล้วออกดอกออกผลแล้วยั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญนะให้ไปทําทานอย่างทานชนิดไหนก็ได้สังฆทานเาวหาละทานหรืออะไรกระถิน่นผ้าป่าอะไรนี้ก็ทําแล้วบุญเกิดขึ้นทันทีอุทิศได้ทันทีแต่บุญที่เกิดจากการเนี่ยฟังเทศฟังธรรมฟังนั่งสมาธินี้ยังเป็นการปลูก ปลูกต้นบุญอยู่ผลบุญยังไม่เกิดต้องมีต้นก่อนผลตังจะเกิดแต่บุญที่เกิดอย่างรวดเร็วทันใจก็คือบุญที่เกิดจากการทําทานคันถามจากคุณทูหลวงพ่อครับทําอย่างไรใจจะสงบได้ครับก็หยุดคิดหน่อยเลยถ้าหยุดคิดได้มาหลายใจก็สงบมานั้น ง่ายจะตายไปอ้าจริงไหมรถจะหยุดได้รถไม่ให้วิ่งจะทำไงถ้าแม่รถวิ่งก็ต้องหยุด ม, นมันเลยใ่ไหมถ้าจิตอยากจะให้มันนิ่งก็ต้องหยุดคิดอย่าง น, นี้ก็เท่านั้นเองทีนี้จะหยุดรถมันก็ต้องมีเบรกถ้าเบรกแตกมันก็หยุดไม่ได้ถ้าสติแตกก็ทำใจให้สงบไม่ได้สตินี่เป็นตัวที่ทำใจให้นิ่งให้สงบ ตามสติแต่ก็บ้าคลั่งไปเลยเห็นไหมสแสดงว่าไม่มีสติไม่มีเบรกคำถามจากคุณไรตะวันจะทำอย่างไรจะไม่ให้จิตเราหลงในรูปรสกลิ่นเสียงบ้างครับก็ออพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ เหมือนยาเสพติดคิดอย่างนี้เราไม่กล้าเสพยาเพราะกลัวว่าติดแล้วเดี๋ยวเวลาไม่มีเสพมันจะทำให้เราทุกข์รูปเสียงกลิ่นลถก็เหมือนยาเสพติดแบบอ่อนๆไม่ผิดกฎหมายเราก็เลยเสพกันถ้าผิดกฎหมายเราก็จะถูกจับติดคุกติดตารางได้แต่ถ้าผิดกฎหมายก็ติดคุกกันทุกคนเพราะไม่มีใครติดรูปเสียงกลิ่นลดพธทพกันเมื่อมันติดกันทุกคนเลยมา ห้ามไม่ได้ห้ามได้แต่เฉพาะของบางอย่างที่ติดเฉพาะคนบางคนคนบางคนไม่ติดเช่นยาเสพติดสุราเขาพยายามจะทําให้ผิดกฎหมายก็ทําไม่ได้เพราะคนติดมันมากกว่าคนไม่ติด <c ười> เกิมีประเทศที่เขาเคยห้ามไม่ให้ดื่มซูลาห้ามผลิตสุรา <c ười> เขาก็ไปทําใต้ดินกันไปดื่มใต้ดินกันก็เลยในที่สุดก็เลย ทำไม่ได้อันนี้ของบางอย่างที่เคยห้ามเดี๋ยวนี้ก็จะเลือกห้ามกันนะบางประเทศเดี๋ยวนี้ก็อนุญาตให้สูบกัญชาได้ลนะเมื่อก่อนกัญชาก็ห้ามแต่ในนี้คนมันติดกันมากกว่าจับไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็พอดีมีมีข้ออ้างว่าใช้เป็นยาได้ก็เลยทําให้เขาก็เลยมีช่องที่จะทําให้สูบกัญชาได้ ยังถูกกฎหมายต่อไปการทำอะไรก็จะถูกการเล่นการพนันก็เหมือนกันการเล่นการพนันมันก็เป็นอบายามุกมันเามาซึ่งความเสื่อมของผู้เล่นและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยทางจิตใจแต่เขาก็ไปมองทางทางร่างกายทางทรัพย์ทา ง, ทางวัตถุ ว่าเป็นการพัฒนาเป็นการให้เจริญวัตถุมีโรงแรมมีคาสิโนคนมีงานทำมีไรายได้แต่ไม่รู้ว่าความเสื่อมมันอยู่ที่จิตใจของคนเล่นเล่นแล้วเดี๋ยวหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปโกงเนื้อไม่หมดเนื้อหมดตัวอยากจะมาเล่นบางทีก็ไปขโมยเงินไปโกงเอาเงินโกงมาเล่นกันมันก็ส่งเสริมให้เกิดการกระทาบาปกัน เสื่อมทางศิลธรรมเสื่อมทางจิตใจต่าเจริญทางวัตถุอัา น, นี้ก็คือเรื่องของการเสพสิ่งต่างๆที่ต่อไปจะถูกกฎหมายมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีคำถามนะคะว่าถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดแล้วยืนด่าดทอเราแต่เราไม่เถียง เราใช้อน า, าการับพุท ธ, ธานสุสติกรรมฐานแบบนี้ทําถูกต้องไหมคะถูกแล้วหลถ้าเขาไม่ฟังเราเราก็พูดไม่ได้แต่เขาฟังเราเราก็อธิบายให้เขาฟังถ้นเขามาหาว่าเราไปแย่งแฟนเขาเราบอกเราไม่ได้แย่งเขามาหาเราเอง <c oughs> <c oughs> ถามก็ดูสิ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเขาไม่ยอมฟังก็พูดไปก็ไม่ได้พูดไปเขาก็ไม่ได้ยิน ก็อย่ายไปพูดหรือไปไปด่ากลับก็ไม่ดีไปทำให้เกิดการโต้แย้งกันมีการเดี๋ยวก็มีการทำร้ายร่างกายกันต่อไป ε ทางที่ดีก็คือยอมหยุดเย็น <re pe ek> ยอมแพ้หยุดต่อสู้แล้วใจก็จะเย็นจะสบายให้เขาร้อนไปคนเดียว <re pe ek> คนที่ดานะ่าเนาะร้อนคนที่ไม่ดา่าคนที่ไม่ตอบโต้นี่เย็น <re pe ek> สบายใช้สูตรสามหย่อยอมหยุดเย็น มีคําถามจากคุณมาลีหอมนะคะอยากทราบว่าใครจะเป็นผู้รู้ว่าสําเร็จอรหันต์แล้วถ้าสําเร็จอรหันต์จะอยู่ถาวรตลอดไปไหมคะก็คนที่ปฏิบัติเน่ยนทันติิโกเนพระอรหรนันต์นี่ท่านรู้ว่าท่านเหมือนกับคนที่เป็นไข้แล้วหายไข้นี่ต้องไปถามหมอหรือเปล่าหมอตอนนี้หนูหายไข้หรื อ, อยัง เดี๋ยวหมอประลอดมาวัดดูหน่อยสิแบบนี้มันไม่มีประลอดวัดกิเลสนะแต่คนที่ไม่มีกิเลสมันรู้เองอ่ะคนที่มันมันไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความอยากมันรู้เองสารดิติโกเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าอิ่มหรื อ, อยังอิ่มนะถ้ามันถ้ามันหายไปชั่วคราวแล้วกลับมาก็แสดงว่ายังไม่เป็นอก็ต้องสังเกตดูอ พอเป็นวันนี้แล้วก็ดูพวกนี้เป็นยังไงเหมือนเดิมอยู่เปล่ามาเล่นนี้เหมือนเดิมอยู่เปล่าเอ๊ะเหมือนเดิมทุกวันอยู่อ่ะอันนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นวันนี้แล้วเดี๋ยวผู่กลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นอัอลัฮันนกอิดน <laughs> ะ <laughs> <c ười> เคยได้ยินนินทานอัลัฮันนกอิดหอเปล่า <c ười> เคยในนี้นไม่เล่านะเราอยากจะฟังเ็ว่าฟังก็อั <c ười> อลัฮันนกอิดก็คือมีพระที่ท่านไปช่วยดงกัน ไปพร้อมกันสองสามลูกเพราะไปบางทีก็ต้องมีเพื่อนไปแต่เวลาไปถึงที่ปฏิบัติก็แยกกันนั่งคนละจุดกันเพราะไม่ให้เห็นหน้ากันไม่เห็นใกล้กันไม่ให้ได้ยินเสียงกันแล้วก็จะได้ภาวนากันอย่างเต็มที่ออพอภาวนาไปสักพักหนึ่งองค์หนึ่งก็เป่านกหวีดขึ้นมาเพื่อนอีกสององค์ก็คิดว่าให้เกิดอะไรขึ้นวะก็เลย ต้องไปดูน่ต้องไปดูก็ถามาให้เป็นยังไงท่านสอนนกหวีดทำไมเฮ้มันหมดแล้วอะอะไรหมดกิเลสมันหายไปหมดแล้วนะจริงเหรอจริงสิอ่างั้นก็สาธุสาธุกันอ่ะเสร็จแล้วก็กลับไปแยกกันไปไม่มีปัญหาแล้วก็แยกกลับไปท่านก็ไปภาวนากันอีกสักพักนกหวีดโผล่ขึ้นมาที <laughs> <laughs> ทีนี้ก็กังวลก็อ่า ไหนๆมาด้วยกันต้องดูแลกันต้องมาดูว่าเป็นอะไรคราวนี้ทีนี้มาถามเป็นยังไงมีเรื่องอะไรเลยว่ามันกลับมาอีกแล้วเนี่ยนี่คืออาละหันนกหวีเ <laughs> นี่ยเราต้องดูไปเรื่อยๆก่อนดูว่ามัน มันหายสนิทหรือเปล่าเหมือนโรคเป็นไข้เนี่ยแล้วก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆก่อนวันนี้หายมันอาจจะฟื้นกลับขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่ฟื้นกลับมาหายขาดก็รู้ว่าหายขาดเองค่ามันถามจากคุณป่าไพเวรุวันกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับขอถามว่าตอนนี้ป่วยเป็นมะเรง็งแต่เป็นหนี้เขาอยู่ถ้าตายก่อนที่จะใช้หนี้เขาหมด เราจะบาปใหม่ครับและควรทําอย่างไรถ้าเป็นบาปไม่มีความคิดที่จะโกงครับแต่สังขารมันไม่อาจรอได้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราขึ้นอยู่ว่าเราทำสัญญากับเขาแบบไหนถ้าสัญญาแบบว่าถ้าตายไปก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นการหนีนี่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่ได้ทําสัญญากันทําความเข้าใจกัน ถึงแม้เราตายไปก็ถือว่าเรายังเป็นหนี้เขาอยู่เราก็ยังเอาทรัพย์เขามาก็แสดงว่าเราโกหกเขาว่าจะยืมแล้วคืน เ, เพราะเราไม่ได้คืนอน่างจาเรายืมเงินใครจะต้องวงเล็บไว้ว่าถ้าตายก็ช่วยไม่ได้นะ <laughs> อย่างนี้ถ้าเขายอมรับเงินไขก็จะได้ไม่ไม่เป็นบาปไป คำถามจากคุณเบญจวรรณขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะผู้ที่ทำอัตวิบากรรมค่ะค่าตัวตายผลของกรรมเป็นอย่างไรเจ้าคะเขาตายไปแล้วดวงจิตต้องเป็นอย่างไรเจ้าคะก็นรกเน่ร้อนจิตร้อนด้วยความโกรธเกลียดแม้กระทั่งร่างกายของตนเองก็เกลียดเลือกกลัวต้องการทำลายมันเพราะมันไม่น่ารักไม่มันไม่ทาหน้าที่รับใช้ เช่นบางคนเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่ได้ไม่หายร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ได้เหมือนเมื่อก่อนก็เลยโกรธร่างกายเกลียดร่างกายก็เลยฆ่าเหมันเหมือนเกลียดคนอื่นโกรธคนอื่นเหมือนกันก็ไปนรกเหมือนกันคำถามจากคุณเมยี่หวาขอวิธีในการใช้มรคแปดมาพิจารณา ตอนวิปัสนาด้วยค่ะอ่าก็วิปัสสนาก็อยู่ในขั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไงถ้าวิปัสสนาก็ต้องพิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอ่าถ้าเห็นใครน่ารักน่าดูน่าชมก็ดูตอนที่เขาไม่ตายแล้วเดดูเข้าไปข้างใตยผิวหนังของเขาจะได้เห็นว่ามันไม่น่าดูน่าชมไม่น่ารักไม่ไม่น่าอยากได้ คือให้มองความเสื่อมของสิ่งต่างๆความไม่ดีของสิ่งต่างๆส่วนที่ไม่ดีของสิ่งต่างๆมันจะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้คำถามจากคุณมีนาเอ็มออนการที่เราพยายามมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นพยายามฝืนไม่ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนน้อยลงจนเพื่อนทักว่าเราสุดโต่งระวังจะเป็นโรคซึมเศร้า อยากกรับเรียนถามว่าที่เราเป็นอยู่เราผิดปกติไหมคะกราบ<ม>ขอบพระคุณค่ะไม่หร อ, ก, หรอ ก, ก็เป็นทางของมรดแปดนี่เองแล้วก็ไม่ซึมเศร้าหรอกกลับจะเบิกบานนะคคนที่มาทางมรดแปดนี่มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสุขสุขนอสุขหน อ, นอพวกที่ไม่รู้จักมรดแปดนี่ก็จะซึมเศรา้า ถ้าไปเก็บกดเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วไม่มีมรรคแปดมาช่วยนี่ก็จะเส่มเศร้าแต่พวกที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขามีมรรคปดนี่เขาสุขหนอสุขหนอะเพราะจิตเขาสงบจิตเขาระงับความอยากมีเพื่อนได้ระงับความอยากเที่ยวได้เขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยไม่เสื่มเศร้าแต่คนที่ไม่มีมรรคแปดที่จะระงับความอยากเที่ยวอยากมีเพื่อนได้พอต้องอยู่คนเดียวก็จะเสืมเศร้า เขาคิดในในในมุมของคนที่ไม่มีมรรคแปดเขาไม่รู้ว่ามรรคแปดนี้มีคุณมีประโยชน์อย่างไรงั้นไม่ปกติสําหรับอาจจะผิดปกติสําหรับเขาเพราะเขาไม่รู้จักมรรคแปดแต่เราถ้ารู้จักมรรคแปดนี่ไม่ผิดปกติ เ, เป็นเป็นการไปถูกทางแล้วควรจะทําให้มากขึ้นควรจะอยู่คนเดียวให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างมรรคแปขึ้นมาให้มาก ยิ่งมีมารกแบดมากเท่าไหร่ก็จะมีกำลังที่จะอยู่คนเดียวได้มากได้นานขึ้นไปเท่านั้นเอาคำถามสุดท้ายนะค่ะคันถามจากคุณทูหลวงพ่อครับจิตเย็นกับจิตสงบเหมือนกันไหมครับเออมันเป็นตัวเดียวกันเนอะพอมันเย็นมันสงบมันก็เย็นมันก็สบายออถ้ามันไม่สงบมันก็ร้อน เ, ออเห็นไหมคนใจร้อนนี่ไม่สงบในชะ่ คนอยากจะได้อะไรในี้ใจจะร้อนคนที่ไม่อยากได้อะไรในี้ใจจะเย็นใจจะสงบงั้นมาฝึกละความอยากกันแล้วใจจะเย็นจะสบายละไม่ได้ก็หยุดมันด้วยสติก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนเบรกหนึ่งเป็นพักๆไปก่อนแล้วละด้วยปัญญาต่อไปได้เห็นว่าทุกอย่างไม่น่าอยากได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราไม่สามารถสั่งให้มัน อยู่กับเราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ตลอดเวลาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะเย็นไปตลอดสงบไปตลอดเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถ